ขอความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิรลัยสีปทุมในวันนี้คงพูดเรื่องมัทุปินทิกสูตรสืบต่อจากที่ได้กล่าวไว้ในวันก่อนวันก่อนก็ได้เล่าถึงในตอนที่พระเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่นิโครธารามนอกกรุงกบิลพัทในแคว้นส ก, กะชนระ บ, บทนั่นเอง ก็ได้เสด็จเข้าไปบินทบาตแล้วก็ไปพักอยู่ที่ป่าหมาหวันเจ้าสักยะองค์หนึ่งชื่อทันทัพานิสักยะก็ได้เข้าเฝ้าโดยอิริยบทกิริยาที่ค่อนข้างแปลกคือไม่ถวายบังคมแล้วยืนเอาไม่เท้าค้ำและมือวางบน หัวไม่เท้าแล้วก็คางวัางแล้วกลับทูลถามพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็รับสั่งตอบแต่ว่าจบลงด้วยท่านสันศีษะแลบลิ้นแล้วก็ทำหน้าผากย่นเป็นสามรอยแล้วก็หลีไปตอนเย็นพระเจ้าเสด็จมาประทับที่นิโครธารามก็ พิโคธารามก็มีอัสนะที่เขาจัดคือตามปกตินั่นก็เป็นวิธีปฏิบัติอย็าหนึ่งคือพระพุทธเจ้าอยู่ในที่ใดเนี่ยเราอาจจะเรียกว่าวิหารอาจจะเรียกว่าสันธาคารอาจจะเรียกว่าอะไรก็ตามแหละเป็นสาราโทงที่พระจะมาร่วมประชุมกันสาธยายธรรมสนทนานะสนธนาธรรมฟังพระธรร ม, มเทศนาเป็นต้น จะมีการเตรียมอาัศนาะเอาไว้สําหรับพระพุทธเจ้าเผื่อจะเสด็จหรือบางครั้งก็อาจจะเสด็จบางครั้งก็อาจจะไม่เสด็จมันขึ้นอยู่กับกรณีกรณีที่เสด็จก็คือว่าในกรณีที่เกิดปัญหาความไม่เข้าใจในองค์ธรรมหรือมีการถูกเฉียงที่หาข้อยุติไม่ได้พระเจ้าก็เสด็จไปทรงชี้แจงให้เกิดความเข้าใจแต่ว่าถ้า ที่ประชุมเขาสนทนากันเลืนไหลไปได้ดีก็ไม่เสด็จพระพุทธเจ้า ก, ก็นำความทั้งหมดเนี่ยมารับสั่งเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังก็เล่ารายละเอียดเลยภิกษุรูปหนึ่งก็ได้กราบรวทวุนทูลถามขึ้นมาว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระผู้มีภาคเจ้ามีปกติตรัสอย่างไรจึงไม่ได้โต้เฉียงกับผู้ใดผู้หนึ่งในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกปรมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมาป ร, รามเทวดาและมนุษย์ดำรงอยู่ในโลกนหนึ่งสัญญาทั้งหลายไม่ครอบงำพรามผู้ปราศจากกามทั้งหลายนั้นผู้ไม่ลังเลผู้ตัดควันความขนองได้แล้วผู้ปราศจากตัณหา เป็นเครื่องนำไปสู่พบได้อย่างไรโดยเห็น ว, ว่าคําถามเหล่านี้ก็คือคําถามในประเด็นที่พระเจ้าส่งแสดงถึงสิ่งที่ประสงค์สักพระเหล่านี้ทั้งฟังจําแม่นนะหรือหมายความเอาข้อความทั้งหมดเนี่ยมากราบภูนถามตามที่พระเจ้ารับสั่งเล่าก็พระเจ้าได้รับสั่งข้อความค่อนข้างสั้นนะแต่ว่ะ รายละเอียดเยอะมากรับสั่งว่าลูกกรภิสุส่วนแห่งสัญญาเครื่องเนิ่นช้าย่อมครอบงำบุรุษประเหตใดถ้าการที่บุคคลจะเพลิดเพลินยึดถือแล้วก็กล้ำมกลืนไม่มีในเหตุนั้นอันนี้เทียว เ, เป็นที่สุดแห่งราคานุใสก็สรงรับสั่งถึงอนุัสเจ็ดประการนะคะ ทีนี้เมื่อยุติตรงนี้ได้เราต้องเข้าใจว่าพฤติกรรมเลวร้ายทั้งหลายในโลกเนี่ยไม่ว่าจะเกิดขึ้นส่วนใดขนาดใดในใจิตใจของใครคนส่วนมากส่วนน้อยก็จะทุกคน лекс, อยู่ภายใต้การบงการของกิเลสการสั่งการของกิเลสการแบ่งแยกของกิเลสการเหนี่ยวนีรังจิตของกิเลสตัวใหญ่ที่เราถือว่า ในประเด็นตัวนี้ทรงยกว่าสัญญาเป็นเหตุใ้เนื่นช้ากหมายความว่าทรงสรุปเป็นกิเลสในที่นี้เฉพาะที่นี้นะ ท, ท, ที่จริงเนี่ยบางครั้งเราจะเจอแค่คำเดียวก็ได้นะให้เราสังเกตว่ากิเลสอะไรก็ตามเกิดขึ้นแล้วมาเนื่นช้าทั้งนั้นแหละเชื่ความโลภที่เหนี่ยวรังจิตของคนเอาไว้จะไปไหนมาไหนก็พอ พ, าพาักโกรน อาจจะอยู่ในที่เดิมแต่ว่าใจคิดห่วงใหญ่มีตกกังวลตัวที่ห น, นอาจจะไปในที่หนึ่งแล้วก็มีการละละ่าละหลังลักษณะของห่วงหน้าพะวงหลังห่วงหลังพะวงหน้าถามเพราะอะไรเพราะว่ามันมีโลภะเนี่ยวรังจิตอยู่มีตัณหาเนี่ยวรังจิตอยู่หรือบางครั้งอาจจะมีความรู้สึกว่าตัวเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโ น, น้นใหญ่โตเท่าไรนี่ยิง่งยุ่งมาก กว่าจะเคขยับขยืขย้อนเคลื่อนย้ายจากจุดหนึ่งไปหาจุดหนึ่งเนี่ยแจะต้องมีการสะเตรียมให้เหมาะสมกะเกียรติยศชื่อเสียงสารพัดอหะแล้วก็พอไปถึงในสถานที่นั้นถ้าอัตตายังเครื่องถูกนะครับโอปัญญุมากที่นั่งที่นอนเครื่องใช้ไม้สอนไม้สอยแก้วน้ำํำที่นะโอปัญญุหมดเลย สับสนหมดลนั้นเพราะอะไรเพราะว่ามันเกิดสัญญาเครื่องเดินชา้าเดียวรั้งจิตของคนเอาไว้ทำให้คนเกิดอาการอย่างนั้ทีนี้ในที่นี้แทนที่จะส่งรับสั่งเฉพะตนามานาธิติก็ส่งรับสั่งถึงอนุสัยอนุสัยเราเราไม่่อยได้พบนะที่ที่ผ่านมาเนี่ย ประชาภพส่วนใหญ่ก็เป็นพวกอุปกิเลสพวกอาสวะพวกโยคะพวกคันทะพวกโอคะอะไรแต่ถเนี้พวกอกุศลกําหมดอนุยัยเป็นชื่อของกิเลสคือโลกคนหลงนั่นเองแต่ว่าเป็นกิเลสประเภทละเอียดตามปกติก็สงบอยู่ภายในจิตเขาเรียกว่านอนเนื่องอยู่ภายในจิ ต, ตสันดานคล้ายๆกัตรกรที่ตกอยู่ ใต้น้อตามปกติเขาไม่เห็นเพราะว่าน้ำเขาบนมันใสมันมันบังแต่ก่อนเอาไว้แล้วตกลึกมากลึกน้อยนะก็แล้วแต่วันกิเลสประเภทอนุสัยตามปกติแล้วเนี่ยมันจะขัดขวางตัวนิพพานแต่นั่นเองแต่จะไม่ขัดขวางระดับสมาธิระดับศีลเนี่ยเขาจะไม่ขัดขวางแต่ถ้าเกิดมาเนี่ยเขาไม่เรียกว่าอนุสัย เขาจะเรียกว่าปัญญุฐานในกิเลสถ้าอยู่ระดับสมาธิขัดขวางตัวสมาธิอีเขาเรียกปรญยุทธานในกิเลสคือกิเลสที่เกิดขึ้นรุ่มรุมจิตธรรมที่คุณมัวเศร้าหมองซัดสายแล่นไปตามลักษณะอาการของกิเลสนั้นๆทีนี้ถ้าเกิดล้นมาแรงเขาก็ไม่เรียกว่าอนุสัยอีกแล้วเขาไม่เรียกว่าปรญยุทธานในกิเลสเอง แต่จะเรียกว่าวีติกมามกิเลสคือกิเลสที่มันล้นออกมาข้างนอกเป็นอาการที่ชัดเจนวันนี้คือราคะนี่คือโลภะนี่คือโทสะนี่คือโมหะนี่คือริษยานี่คือแข็งดีนี่คือหญิงสาวอะไรมันออกมาชัดเลยสามารถจะมองได้มันเกิดขึ้นมาจากอะไรถ้าสมมติว่าคนฆ่าเนี่ยคนฆ่าสัตว์เนี่ยเราเชื่ว่าที่จริงมันก็เกิดมาจากโสาทสะก็ได้เกิดมาจากโลภะก็ได้ เกิดมาจากวิษยาก็ได้เกิดมาจากแข่งดีก็ได้เกิดมาจากความคิดเบียดเบียนก็ไก็ไม่รู้แต่กิเลสทั้งนั้นเลยมันวิเคราะห์สาวลึกไปเป็นรายรายไปและบางคนเราดูว่าที่มีคนคนหนึ่งไปยิงประธานาธิบดีเรกแกนแล้วสอบถามมันทําไมไปยิงประธานาธิบดีทําไม จะบอกว่าในสิบแกเนี่ยมันไม่มีทางที่ชาวโลกจะรู้จักเพราะนั้นถ้าชาวโลกรู้จักมันต้องประกอบวีรกรรมแต่วีรกรรมไม่มีให้ประกอบมันต้องตอบธุรกรรมหรือความเลวร้ายสุดๆอะ่ะมันจะผูกพันหัวตัวไม้ไปเยอะเลยเพราะนั้นเราจะเห็นว่าคนฆ่าลินคอนเนี่ยทุกคนก็รู้จักกํากับกับตัวลินคอนคนฆ่ามาตมะขันทีคนก็รู้จัก คนประตูสรัดพระเจ้ากับพระเทวทัตนี่ก็คนก็รู้จักมันมีชื่อเสียงคู่ขนานมากับพระพุทธเจ้าหรือว่าคนรู้จักพระเจ้าก็รู้จักซาตานรู้จักพระพเจ้าก็รู้จักมารรู้จักพระเทวทัตทั้งนี้ผู้ความคิดเพียนๆเพราะงั้นการการฆ่าเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ยุติว่าเขาฆ่าด้วยอะไร โลภะก็ได้โท่สะก็ได้โมหะ ก, ก็ได้ริษยาก็ได้แข็งดีก็ได้เบียดเบียนก็ได้รับย่างนี่ก็อาจจะมาจากหลายทางโลภะเนี่ยอาจจะมามาจากหลายทางบางทีเประการขัดแย้งกันทางการเมืองก็ดีทางเศรษฐกิจก็ดีทางสังคมก็ดีะหรือว่ากลัวคนอื่นจะดีจะเด่นจะดังแล้วก็ค่าเสียแต่ทั้งหมดเนี่ยมันคือกิเลส ท, ที่มันลน้นถ้ากิเลสไม่ลน้นเราคุมไว้ระดับ ด้วยสมาธิคือไม่ล้นออกมาข้างนอกไปความเลวร้ายต่างๆก็จะไม่เกิดแต่อย่าลืมว่าจริงๆเนี่ยถ้าไม่มีเชื้ออยู่ข้างล่างมันก็ไม่มีกิเลสข้างบนแต่ใกล้ๆกับใบไม้กิ่ไม้ต้นไม้เนี่ยต้งปลายมันเยอะล่ะเยอะมากเลยและจึงมันมาจากรากเพรกิเลสประเภทเนี่ยเป็นกิเลสประเภทรากมาตกตะกอนอยู่ข้างล่างภายในจิต ตาปกติเราจะคุ้นสังโยชน์มากกว่าเราคุ้นอนุสัยทั้งๆที่กิเลสเนี่ยคือประเภทเดียวกันเพียงแต่ว่าอนุสัยเจ็ดข้อสังโยชน์มันจะมีสิบข้อในการกระจายข้อเนี่ยก็แล้วแต่นะะเราจะเห็นว่าเราจะผ่านมาในอนุมานสูตรเนี่ยมันก็แนวเขาอุปกิเลสก็มีทั้งสิสี่ข้อที่จริงอุปกิเลสเขามีสิบหแต่ในที่นั้นก็บอกว่าสิบสี่ ในยามที่บอกนะว่ากิเลสท่านจะขยายออกไปถึงพันห้าก็ได้ก็ไม่ได้แปลกอะไรขยายตันหาออกไปเป็นร้อยแปดก็ได้ก็ไม่ว่ากันแต่ก็ไม่จำเป็นจะต้องไปจำว่าไอ้ร้อยแปดต่างคืออะไรบ้างใ น, นการแสดงอาการเฉยๆเวลาการก็เราก็คือระ บ, บาปความเป็นบุญธรรมจิตและผองใสมันจะมีเท่าไหร่ก็ชักมันแหละไม่ต้องไปติดใจมันที่เราก็ไปบุญวตรงนี้ ก่อนก่อนก็ประรบถึงลูกศิษย์เป็นยาโทก็สักถามเขาว่าเป็นไงเขาจบแล้วลยังหรวก็เป็นครูอาจารย์แล้วก็สอนอภิธรรมเขาให้ทำวิทยานะวิทยานิพน์ซึ่งซึ่งเป็นปัญหาสังคมนะระดับสังคมจะ เ, เขียนเป็นอภิธรรมหมดเลยมันก็ได้แต่วันมันไม่ใช่เรื่องธรรมะปฏิบัติที่จะ ให้คนอื่นถึงสนใจอ่านแล้วจะเกิดความเข้าใจได้เพราะว่าแนวพิธรรมที่จริงมันเป็นแนวที่เราต้องรู้ด้วยจิตเราเองแม้จะท่องเป็นักขยานมาได้นะเราดูวาระจิตเจ็ดขนาดนี้เราดูไม่ได้หรอกสติเราไม่แหลมคมพอที่จะไปดูระดับวาระจิตขนาดนั้นได้เราท่องเป็นักขยานมาก็ได้ เพราะฉะนั้นการพูดกับคนเนี่ยมันก็พูดเฉพาะที่อยู่ในวิสัยอยู่ในวิสัยที่สามัญชนพวกไปจะเข้าถึงศาสนาได้ปัญหาประการหนึ่งที่คุณอะไรที่เขาไปทำรายการตามรอยพระพุทธเจา้าเนี่ยตอนขอยเขาสรุปประเด็นว่าที่เขามองเห็นนั่นคืออะไรหรือเามองเห็นว่าพระธรรมเนี่ยถูกทำให้ยาก แล้วก็ในสุดก็ปิดกั้นตัวเองคือไปอยู่ไปอยู่ในที่หนึ่งคือในรั้วของมหาวิทยาลัยแล้วก็สังคมโลกจะไม่ได้สัมผัสในขณะเดียวกันพระท่านก็อยู่เป็น่อาณาจักนะรเนี่ยนัลลนทาในเมืองกาญจนาจักรแล้ ม, มีการเก็บภาษีจากที่ดินและจวงคุตะคุปตะเข้ามอบถวายเวก็ทำในพระหัางเหินจากชาวบ้าน แล้วก็ถกเฉียงระดับประกากันก็ในสุดชาวบ้านเนี่ยสัพัดไม่ได้เดี๋ยวมาเคยยกตัวอย่างให้ฟังว่า้ารนํานสื่อศาสนาที่มันเสื่อมเนี่ยคือหนึ่งก็ทําให้ศาสนาต่ําเกินไปพวกตันตระก็ดีพวกบุญธรยานก็ดีซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นพัฒนาเป็นวัชรยานที่จึงมันพัฒนาแล้วที่ลมามะเขาปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันเนี่ยจงมันพัฒนาไปแล้ว อย่งจริงมันก็เริ่มมาจากสันตะซึ่งของเปิกก็ของอินโดแล้วต่อมาก็เป็นมูลตรยา น, นอินเดียนี่เขาเรียกไวบูละมาแถวพมา่เาเลยก็เรียกครูวอารีก็ก็พวกเดียวกันนะเข้ามาถึงประเทศไทยยังมีอยู่เยอะนะลงเหลืออยู่เยอะพวกเวทบุญคาถาอะไรเนี้ยมันก็ตามมาเกิดไปใกล้ใกล้กับสย์ดักสัดเนี้สยสั์มันเหยียบหมดเลยเหี่ยบข้ามบวงไปดักสัดไม่ติด อีกอย่างหนึ so, ่งเนี่ยแม้คําว่าสารบำสนยำเนี่ยสิ่งทั้งปวงศูนย์เลยเนี่ยมันมันมันเกินไปอ่ะเพราะมันเป็นปรมาตสัจจะตรงนั้นไม่จะเอามาพูดกับชาวบ้านมันจะพูดระดับสินธรรมจัญญามันพูดไม่ได้ไรอย่าลืมว่าสารบำสุนยำเนี่ยก็คือว่าทุกอย่างศูนย์ก็แสดงว่าบุญก็บาปก็ศูนย์ก็ไม่ต้องกลัวบุญบาปพูดไปพูดมามันเป็นอุเฉะอุเฉททิฏฐิอร่ายง่าย คือต้องระมัด ร, ระวังมากระวังสัตตะพิธีตัวเฉียดสถิต้องระมัด ร, ระวังมากอย่าเจียกร่ายเข้าไปโอกาสที่จะเกิดมิจฉาทิฐิมันจะง่ายโดยพูดได้นะะระดับนี้แต่มันฑพูดอีกระดับหนึ่งพูดระดับของวิปัสสนากรรมฐานพูดในกลุ่มคนเป้าหมายที่มีความชัดเจนว่เาเขาเข้าใจนะ อันนี้ธรรมาระดับสมมติสัจจะนะอันนี้ระดับปรมาตสัจจะคือความจริงที่แท้จริงมันไปอีกระดับหนึ่งเดียวกันเข้าถึงจริงๆเนี่ยมีกิเลสต้องหมดก่อนแต่กิเลสไม่หมดแดีวคุณไม่มีทางหรอกที่จะไปเข้าถึงปรามาตสัจจะได้เพราะงั้นปัญหาเหล่านี้อาจจะดีเกินไปเฮ้ยสูงเกินไปคือสัตว์โลกมันลอดไปหมดเลย ดังนั้นแนวตรงนี้พ ร, ะ เ, ระเจ้ามีพระประสงค์พระประสงค์ต้องการจะเชิดชูพระมหากัจจายนะพราะพระมหากัจจายนะท่านเป็นพระเถระผู้ใหญ่แต่อยู่ที่อุเชนีแควนอวันตีชนบทคือมันอยู่นอกของของสุภูทวีปคือตอนกลางของประเทศอินเดียแต่อยู่ค่อนไปทางเหนือ ก็เป็นตัวแทนรพระพุทธเจ้าเผยแผ่าศาสนาที่อวันตีชนบทมานานจะเข้าเฝ้านี่มามากว่ามาคว้าพระพุทธเจ้าถึงถึงนิโรธรามะแสดงออกมากไกลมากแต่นี้พระตนนั้นแหละไม่รู้จักท่านหรอกเพรา ะ, ะน้นคุณเม่อท่านดิวไม่ปรากฏวิธีการพระพุทธเจ้าก็คือสร้างปัญหาให้ภิกษุต้องหาคนตอบพระองค์จะไม่ตอบพระองค์จะไม่อธิบายวิธีตรงนี้ตทรงใช้บ่อย เพื่อต้องการเชิดสู่พระมหาสาัมภให้เป็นที่ยอมรับนับถือศรัทธาชื่นชมมันไม่ใช่ว่าถนนทุกสายมุ่งมาสู่กรุงโรมหมดคือไม่ใช่ใครก็ต้องเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอันนี้คือปัญหาจุดอ่อนจุดอ่อนแล้วเราไม่มองตรงเนี้เป็นบทเรียนเลยจะว่าเวลาเนี้ยอ น, นิมนต์งานราดงานหลวงงานเศรษฐีเอ่ะมหาเทรมนามกมันนั้นเลย มาจะมาคามอีกกี่รูปแล้วผลุทายก็ลากท่านไปสวดมนฉันเพนสวดบนฉั้นเช้าสวดมนต์แต่งงานพุทธาพิเศษจุดเทียนชยัยวิ่งบนก็นอยู่เงี้ยไม่มีข้อมูลไม่มีพลังที่จะนํามาคิดการพระศาสนาที่จะรักษาองคอ์กรพัฒนาองคอ์กรป้องกันองค์กรเนี่ยสืบสารพุทธศาสตร์ไปบนเส้นทางของพุทธอุถี วันวิธีการเหล่านี้จะยึงพระเจ้าส่งวางไว้ก็ส่งเป็นรุวพุทธเจ้าเพียงเพียงประมาณสักเท่าไหร่อ่ะประมาณสักสามสี่เดือนนะะอาจจะสักสามเดือนพระเจ้าเริ่มมอบหมายการบวชให้เป็นหน้าที่ของพระอารารทั้งหลายที่ส่งไปเผยแผ่ศาสนาชุดแรกชุดแรกกับชุดที่สองเนี่ยรวมแล้วก็เก้าสิบรูปตลอดถึงชุดที่สามคือชุดพันรูปกับสองรหสิบรูป ท้าชุดนี้เป็นอุปชาญาติบวชเองได้เลยและในการต่อมาพอเห็นว่าสงข์แข็งแกร่งขึ้นก็มอบไปเป็นภาระของสงฆ์ผู้เจ้าไม่บวชให้เพราะว่าภาระการสืบสารนิสัานาในพระศาสดาจะดำรงอยู่ตลอดไปไม่ได้แต่ศาสนาจะต้องดำดำรงอยู่อย่างต่อเนื่องเพราะฉะนสงฆ์จะต้องสนักถึงเรื่องเหล่านี้เป็นพันธกิจและเป็นภารกิจ ที่จะต้องสืบสารวิธีการของรรพระเจ้อาอว้เพราะันก็เขาเรียกคือหลักการก็คือยกย่องคนที่ควรยกย่องและเขามีการกระทําที่ควรยกย่องทีนีนนนนนนน้ตรงนี้มันก็ไม่สุดการกระทําไม่ได้เพราะการกระทํามันทําอยู่เจ้าบนตีชนบทนั่นก็ต้องการให้พระสงฆ์ไมองเห็นปัญญาของพระเทระซึ่งเป็นหัวหน้าพระธรรมทูตใหญ่อยู่ทั้ง เมืองเจนีในแควนวันตีเพราะฉั้นเราจะเห็นว่าพระเจ้าจะรับสั่งรับสั่งคล้ายๆกับคือถ้าปัญญวิีเนี่ยระดับปัญญวคีเนี่ยท่านเข้าใจแล้วนะอย่างที่เราได้ยินธรรมจักเราจะเห็นว่าธรรมจักไม่ขยายอะไรเลยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมาวจารสัมมากรรมโตสัมมาสีโวสัมมาวายามสัมมาสติสมาสมาธิเลยไม่ได้บอกว่าสัมมาทิฏฐิคืออะไรสัมมาสังกปะคืออะไรสัมมาวจาคืออะไร แต่ปัญญาอุเข้าใจทีนี้พระกลุ่มนี้เราก็เห็นได้ชัดว่าอาวุธที่ภาวะท่านไม่อยู่ระดับปัญญาคีกหรอกเหมือนการตอบขนาดนี้ท่านก็ไม่เข้าใจรับสั่งว่าถ้าการที่บุคคลจะเพลิดเพลินยึดถือ ก, กัมกลืนไม่มีในเหตุนั้นอันนี้แหละเป็นที่สุดแห่งราคาดุสัย เป็นอาสวัคยานไปแล้วนะฮะตรงนี้คือหมายความว่าพระเจ้าพูดจะอาสวัคยานเพราะว่าเขาถามพระองค์นี่คือหลักการที่บอกว่าพระเจ้ามีพระธรรมเทศนาที่มีพระรหัสเป็นยอดคือมุ่งไปสู่อรหัตเลยบอกเส้นทางตลอดเส้นทางครบเธอเดินไปถึงไหนก็เดินไปเดินไปถึงศีลเดินไปถึงธรรมะเดินไปถึงสมาธิเดินไปถึงปัญญาเดินไปทางมีแล้วขาดคนเดินแต่นั้นเอง เพรอนุสัยเนี่ยมันเป็นการเรียงอีกระดับหนึ่งซึ่งเราจะเห็นว่าสังโยชน์ที่จึงมีสองชุดหนแนวอภิธรรมเนี่ยชุดหนึ่งก็คือสิบข้อเหมือนกันแนวพระสูตรก็สิบข้อแต่ที่เรามาพูดมากเราพูดตามแนวพระสูตรเพราะพระสูตรมันมันเป็นมาตรวัดของความเป็นพร ะ, ะบุคคลคือเรียงตามลําดับหยาบกลางละเอียด แต่ทั้งที่เป็นกิเลสละเอียดด้วยกันเนี่ยแต่ว่าละเอียดกับละเอียดมันก็มีหยาบมีกลางมีละเอียดในตัวของเขาเองมันเชืเ่อมเข่งกันเพราะราคานุใสอนุใสแปลว่ากิเลสที่นอนเนื่องอยู่ภายในจิตภายในจิตมนุษย์เนี่ยมันมีกรรมธ า, าตุถ้าตัวนี้เราอาจจะใช้คํว่าราคะก็ได้แต่จริงๆก็คือกรมธาตุนะกรมธาตุคือธาตุของความใคร่ การใช้คำราคาเนี่ยเพราะว่าเป็นมนธรรคเทศนาที่ส่งแสดงแก่พระภิกษุเราจะลืมราคาก็คือโลภะนะก็คือตัณหาก็คือกรมตัณหาก็คือภระวตัณหาคืออนัพิชาคืออภิษคืออะไรล่ ะ, ะรติความยินดีะชั้นท่นความพอใจรักใครอะไรก็าตามนะคือกิเลสประเภทคว้าขามาห์นี่กิเลสประเภทคว้าขามา ราคานุใสเนี่ยคือภายในใจเราเนี่ย ม, มันมีกรมธาตุเพราะันที่มันเกิดเป็นสักขันไหนเนี่ยมีกามธาตุคือเชื้อของความไข้ความปรารถนาความพอใจที่พระเจ้าทรงแสดงก่อนตอนสัตว์รู้ใหม่นะสังกับร拉โคบริษัทสกามโมพรามนริเป็นกามของคนดูก่อนกามบัดนี้เราเห็นเจ้าแล้วเจ้าจะมันเกิดกับเราไม่ได้แก่ เราจะเจ้าเกิดจากความดํางริที่เองเราไปเราจะไม่ดํางริตัวใจละเพราะว่ากิเลเป็นเหตุให้ดํางริเนี่ยมันไม่มีแสดงว่าเป็นการถอนรากง่ามมาแล้วเพราะฉั้นพอเราเกิดเรามีการมาธาตุเราก็มีการมาสัญญาคือตําหมายว่าหน้าใคร่หน้าปรารถนาน่าพอใจทีนี้พอจําหมายมากเข้าเนี่ยมันก็กลายเป็นการมาฉันทะคือความกําหนังความพอใจในสิ่งเหล่านั้นโดยฉันทะประความพอใจมากๆเนี่ย มันก็จะออกมาในรูปของกามกามตัณหาฉันท่า ม, มากๆนะกามะกา ม, มาปิลาห์คือจิตมันจะร้อนร้อนด้วยแรงปรารถนาพอแรงปรารถนาเกิดขึ้นถึงจะหนึ่งจิตมันจะดิ้นรนทะเยอทะยานเพื่อจะแล่นไปหาสิ่งเหล่านั้นมาตอบสนองความต้องการของตัวมันกเกิดการแสวงหา ป, ปัญหาสังคมเนี่เราจะเห็นว่าปัญหาในช่วงของการแสวงหาเพราะว่าตัณหามันเยอะมาก แล้วก็ไม่พยายามกํากับผู้คุมกัรหาผมไม่กํากับผู้คุมตลามันก็เป็นปัญหาปัญหาเศรษฐกิจก็ดีก็ดีปัญหาสังคมก็ดีปัญหาการเมืองก็ดีปัญหาความมั่นคงแล้วต่างๆก็ดีเนี่ยมันก็สืบเนื่องมาจากปัญหาไปในใจของคนไปในสังคมเรานี่แหละแล้วก็มาจากธาตุก็คือกรมธาตุในที่นี้ระดับนอนเรื่องอยู่ไปในจิตก็สงใช้กรรมาราคานุใส นี้เป็นที่สุดแห่งปฏิคานุสัยปฏิคะนะฮะคือกิเลสประเภทโทสะต้องฟังอาจจะเคยได้ยินคนํานี้คือจะอยู่ในระดับที่ถ้าสังโยชน์เนี่ยเขาดูยาอยู่ในระดับที่ที่ที่ห้านะฮะคนที่จะละเขาได้ก็คือพระอนาคามีราคานุสัยก็ดีนะฮะปฏิคานุสัยก็ดีเป็นระดับพระอนาคามีจึงจะละได้ พระโสดาบันพระตะกีตาขายอย่างละไม่ได้นะะแต่ว่าสยดสงบได้คนที่จะละเข้าได้แตเด็ดขาดก็คือปฏิฆาปฏิฆาเป็นความหมุดหงิดเป็นความไม่พอใจเป็นความไม่แช่มชื่นไม่เบิกบานที่อยู่ในภายในอาจจะรําคาญอาจจะหมุดหงิดอาจจะกระทบกระทั่งอาจจะเกิดความไม่หยดดีนะมันก็ถ้าทําปัญญาต่อจิตแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในระดับที่พอเป็นนิวร์นะ่ะคือคือประเภทพยาบาท เราเห็นว่าการมาราคะก็คือการมีชันแล้วก็ปฏิฆาก็คือผดยาบาทรเดี๋ยวผยาบาตรเขาหยาบปฏิฆาเนี่ยเขาจะละเอียดพยาบาทรเนี่ยอาจจะครุ่มครามไปฆ่าคนได้นะแต่ว่าปฏิฆาเนี่ยไม่ถึงราคาหรอกมันไม่แรงนอกจากว่าไปสะสมเงื่อนไขปัจจัยภายนอกเข้ามันก็กลายเป็นกิเลสอีกระดับหนึง่งแล้วก็ ประการต่อไปก็คือทิฏฐานุสยัยคือทิฏฐิอนุสยัยทิฏฐิในที่นี้ก็คือความเห็นผิดนะฮะเน้นที่ตัวความเห็นผิดการปกติจะเห็นผิดในขันทั้งห้าแล้วก็กระจายตัวเองออกไปเป็นๆเขาเรียกว่าสักยะทิฏฐิยี่สิบยี่สิบก็คืออะไรคือมีความเห็นในขันท์ห้าแต่ละขัน์เนี่ยอย่างละสี่นะเช่นว่าเราเป็นรูป แต่รูปเป็นเราเรามีในรูปรูปมีในเรานะสิเวทนาก็เหมือนกันก็จะเห็นอย่างนั้นเราเป็นเวทนาเวทนาเป็นเราเรามีอยู่ในเวทนาเวทนามีอยู่ในเราพวกนี้ละเมียดละใหม่มากละเมียดละใหม่มากคือเราจะดูยากมากอ่ะแต่เราถ้าพยายามดูเนี่ยจะเห็นเห็นระดับหนึ่งนะเห็นระดับสัญญาเห็นระดับจินจินตนาคือความคิดอ แต่เห็นจริงๆมันต้องเห็นด้วยด้วยด้วยมรดนะฮะโดยมัรคยานก็ในแง่ของการละได้ก็คือประสรบการณ์การละได้เห็นไหมว่าวิธีการเรียงเนี่ยคือจะเรียงโดยระบบของเข้าเองทีนี้ลำดับพวกเนี้ยที่จริงเนี่ยอถ้าถ้าเราจะเรียงลำดับมันก็แล้วแต่ว่าจะใช้ลำดับอะไร สมมติเราโลคปดลงเป็นเมนโรคปดลงเ ป, เป็นเป็นเป็นตัวหลักเนี่ยเราก็ จ, จับเอากลุ่มโลคอย่างยาบอย่างกลางอย่างละเอียดมาเรียงต่อกันไปแล้วก็เรียงกลุ่มปวดก็หยากกลางละเอียดแล้ว ก, กลุ่มหลงยาบกลางละเอียดก็ได้ก็ที่จริงก็เคลือเดียวกันแอย่าลืมว่าพวกนี้เป็นปัจจัยของการละการ น, นะวิจิตจศาคือความเครือบแคลงสงสัยเกิดขึ้นมาจาก ที่ปรากฏต่อจิตเนี่ยฮะเป็นเป็นเป็นนิวรณ์ข้อเดียววิจิกิริชนิวรณ์ถ้าเกิดขึ้นกันมุจิตเนียววาเรียกวิจิกิริชนิวรณ์ความลังเลความเครื่อนแคลงสงสัยความไม่แน่ใจนะปัดใจลงไปไม่ได้ว่าอะไรเป็นอะไรคือไม่ชัดเจนในเรื่องเ่านั้นก็ความสงสัยของชาวพุทธเราส่วนใหญ่จะสงสัยใน ถ้ยายาบนะถ้าหยาบเนี่ยสงสัยในพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในใจสิกขาเห็นแม่กลับไปเจดเจโตกีละสุดเลยสงสัยในพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เห็นว่ามันรุงจิตพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเป็นตะปูที่รุนจิตคนเอาไว้แล้วก็สงสัยในเรื่องอดีตอานาคตทั้งอดีตอานาคตกฎของปัจจัยาการเป็นที่น่าสังเกตว่าขนาดนี้หนังสือที่เกี่ยวกับกรรมในรูปแบบต่ตางๆเนี่ย แพร่หลายมากแล้วใครเรียบเรียงขึ้นมาจำหน่ายเนี่ยจะได้เงินเยอะคนซื้อเยอะราคาแพงอธิบายให้รายละเอียดเยอะซึ่งถือว่าถ้าหนังสือนี้ทำหน้าที่เองเขาได้รลูกฝังศรัทธาในกรรมศรัทธาวิปากษัทธากรรมสักกษัตศัทธาได้ แต่ถ้าอย่างสับสนไม่แน่ใจก็ไปจับที่ตถ า, าคตาถาได้ก็เป็นเป็นบุญของสังคมนะะเป็นบุญของโลกเป็นบุญของสังคมแล้วถ้าคนเราขาจัดความเครื่องแครงสงสัยในกฎของกรรมได้อะไรอะไรมันก็นจะดีขึ้นเยอะเลยฮะเดี๋ยวนี้เราลองสังเกตว่าคนจะไม่เคยทำหนึ่งถึงกรรมแล้วจะสับสนในตัวกรรมหมายความว่าถ้าฉันทำํำเลยคือถูกหมดเลย ถ้าคนอื่นทําแล้วก็ผิดโดยเขาไม่เข้าใจว่า ก, กรรมเนี่ย ม, มันเกิดจากมาโนกรรมไปทนไปถ้ามาโนกรรมพุทธจดิตก่อนวาจาจึงพุทธจดิตกายจึงพุทธจดิตแต่ถ้าตัวมโนกรรมคุณสุจริตเนี่ยกายก็จะสุจริตวาจา่าสุดจริตเว้นไว้แต่เว้นไว้แต่คุณมีมารยามีเจ้าเล่ห์มีเสแสง้งมีโอ้โอวดมีแข็งดีมีริษยามีมานะอะไรต่ออะไรเนี่ยอาจจะหลอกลวงได้ เป็นาบุกตาได้มนุษย์มนุษย์ก็เก่งนะฮอย่างที่บอกนะว่ามนุษย์เป็นสัตว์โลกชนิดเดียวที่พูดอย่างคิดอย่างทําอย่างได้ก็เพราะอะไรละ่ะเพราะมายาเพราะโอ้อวดรู้แข่งดีเพราะฤิษยาเพราะมานะเพราะอาติมานะอะไรต่อะไรเนี่ยที่ท่านแสดงไว้ในอนุมานาสูตรก็พวกนี้ก็ในวชจิตรนิกายก็ปรากฏหลายแห่ง สแสดงเต็มที่จนถึงเป็นพระอุปกิเลสิบกประการต่อไปก็คือเป็นมานานุสัยมานานิกิเลสลรับละเอียดนะเป็นสังโยชนระดับสูงคือยากต่อการเจรจาเพราะอะไรเพราะว่ามานาบางระดับเนี่ยที่จริงมันเป็นพลังมันเป็นตัวกระตุน้น จะให้เกิดการพิทักษ์รักษาเช่นว่าคตโยวัคติโยหังอ um ิติมานมานะเราเป็นกัรสัตการใดที่เหมาะควรแก่ความเป็นกัรสัตรเราต้องทาการนั้นเมื่อน้าว่าเราเป็นสมณะเป็นนักบวชเราต้องปฏิบัติให้เหมาะสมแก่ความเป็นนักบวชแต่ตัวเนี้ยพระเจ้าไม่ได้ใช้คำว่มามานะได้ใช้คำว่าสัญญาหรือความสําเนียกสํานึกการกําหนดหมาย ชัดเจนในสถานภาพของตัวเองแล้วก็พยายามปฏิบัติให้เหมาะสมแก่สถานะที่ตนเป็นผลมาหน้ามันกระจายตัวเองเออกไปเป็นมาหน้าก้าวอย่เช่นสมมุติเราเป็นผู้เลิศกว่าคนอื่นก็ไปสําคัญตัวสําคัญมั่นหมายว่าฉันเลิศกว่าคนอื่นแล้วเราสังเกตว่ามนุษย์ไม่มีใครเลิศกว่าคนอื่นทุกกรณีหรอกนะแม้แต่พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นสุดยอดของมนุษย์แล้วเนี่ยแต่ถ้าเรามองในรายละเอียด แต่มีคนเคยพูดว่าพระพุทธเจ้าที่เลิศ ก, กว่าคนอื่นเนี่ยเพราะสันโดษในปัจเจศีพระเจ้าพอจะเอาอย่างนั้นไม่จริงหรอกเพราะพระองค์ที่เลิศ ก, กว่าคนอื่นเลิศในพระคุณในปัญญาในบริสุทธิ์ในกรุณาแต่นั้นเองแต่ถ้าการสันโดษในปัจเจศีหรือมักน้อยในปัจเจศีเนี่ยพระบางรูปเก่งกว่าพระบางรูปฉันอาหารวัลลคํานะครับเจ้าฉันจะรู้ไหม พระบางรูปมีใช้จีวรบางสกุลจีวรเนอี่ยอุกฤษในรุงรังไปหมดตัวเจ้า ก, ก็ใช้ได้เพราะถาวายจีวอนอะไรมาก็สมใช่แล้วก็แสดงเห็นว่าไม่มีใครเลิศ ก, กว่าใครด้วยประการทั้งปวงหรอกหรือเราเลิศ ก, กว่าเขาแต่ตีตนว่าเราเสมอเขาเราเลิศ ก, กว่าเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าเราเร็ว ก, กว่าเขานั้นก็แต่ละอย่างก็ถือว่าเป็นมานะเป็นอาการของจิตที่กระด้าง สั่งเติมตัวเองดีเสมอคนอื่นหรือว่าดูหมิ่นคนอื่นแต่อย่างเนี่ยมันเป็นอะไรล่ะคือชน ง, งักด้วยกันเพราะจะลืม่าพวกนี้เป็นปปัญจะทมคือธรรมะที่เหนียวรางให้เนิ่นช้าเช่นนย่นยกตัวอย่างว่าอุตกาตดาบทรามบุตรซึ่งได้สมาบัตแปดเนี่ยมันเกิดมานะว่ามันจบละเราเป็นผู้เข้าถึงจุดสูงสุดแล้วท่านก็ไม่ยอม ข, ข, ขยับเยืนไปไหนในสุดทก็ะใ แต่ว่าท่านก็ไม่ได้สูงสุดท่านก็ไปเพียงอรูปภพลมเราเสมอเขาสําคัญว่าเราเลิศกว่าเขาสําคัญว่าเราเสมอเขาสำคัญเ ร, ราเร็ว ก, กว่าเขาหรือแม้แต่เราเร็ว ก, กว่าเขาเนี่ยไปคิดว่าเราเลิศ ก, กว่าเขาเราเสมอเขาเราเร็ว ก, กว่าเขาก็ถือว่าเป็นมานะทั้งหมดทั้งเก้าข้อเนี่ยพวกมานะเนี่ยคนที่ลอดได้คือพระอาหารหันต์ทีนี้ เป็นที่สุดแห่งภะวะราคานุสัสอนุสัยคือความกำหนัดในภพพรุงนี้ก็เหมือนกันนะฮะเป็นอนุสัยประเภทละเอียดเวลาสังโยชน์เนี่ยเขาเรียกว่ารูปราคะรูปราคะ ค, คือหมายความว่าเป็นอาการที่ยึดติดอยู่ในรูปฌานรูปฌานแบบน า, าดาบทกาลามะโคดุตกะดาบทตรก า, รามบุตรเนีาา่ยแต่พรุงนี้พูดระดับอนุใสนะหรือถ้าอยู่ในที่อื่นมันก็อีกเรื่องหนึง เพราะเขาจริงๆก็คือเขาก็เปรีคือเปรียพระวะัหานั่นเองแต่ว่าความเข้มข้นเขาจางคลายไปเยอะเลยก็อยู่ระดับสงบอยู่ข้างในแต่อย่าลืมว่ามันก็มีความรู้สึกว่าเป็นรู้สึกเป็นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยู่เพราะฉะนั้นคนจะล่าได้เขาจริงเนี่ยก็คือพระอระหรันต์ แล้วก็เป็นที่สุดแห่งอวิชานุสัยนี่คือยอดของของกิเลสทั้งหลายนะรากง้าของกิเลสทั้งหลายคืออวิชชาคาเดียวตัวนี้มันก็แตกกิก่งก้านสาขามาจากอาวิชชาแล้วังเราสังเกตฮะเพราะเราไม่รู้เราจึงมีความกำหนัดเพราะเราไม่รู้เราจึงมีความโกรธเพราะเราไม่รู้เราจึงถือรัน้นเพราะเราไม่รู้เราจึงสงสัยเพราะเราไม่รู้เราจึงมีมานะกระด้าง พระเราไม่รู้เราจึงยึดติดในความเป็นด้านาต่างๆเห็นไหมมันมาจากอวิชชาทั้งนั้นหลยตรงนี้พอรู้เกิดแล้วมันดับหมดอะดังนั้นคำรู้คำเดียวในองค์มันยิ่งใหญ่มากเพราะว่ามันทำลายเครือข่ายทั้งหมดของอวิชชามีช่ยอยังไงช่างไหมทันเดวิกิเลตปันหาตันหาร้อยแปดไรก็ว่าไป เพราะแนวตัวนี้พระเจ้าสองอุปมาเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญในปราสากเมฆหมอกมาบังเอาไว้เพราะงั้นโลกมันก็สว่างสวยด้วยแสงพระจันทร์ทำไมจึงจึงจึงจึ ง, จงเปลี่ยนอย่างนั้นนะฮเราจะเห็นว่ามันมีลักษณะที่ออกมาจากความมืดราะเราจึงไม่เคยพบในแนวพระอาทิตย์หรอกแต่เราพบในแนวของกลางคืนเพราะว่า ไอ้ตัวความมืดมัเหมือนกับวิชาตัวความมืดเหมือนกับวิชาคือแสงสว่างก็เหมือนกับวิชาว่าเมื่อพระจันทร์วันเพ็ญเนี่ยมันปราศจากเมฆเมฆหมอกมาปิดบังเมฆหมอกก็เหมือนกับพกิเลสทั้งหลายมันปิดบังเอาไว้แล้วก็สอนทาให้โลกสว่างสวยเป็นที่น่าชื่นชมยิน ด, ดีเนะช่นจะยกตัวอย่างสงแสดงสภาพจิตของขอ ง, ของพระองคุลิมาน อาจารย์สุชื่บุญาณุภาพมาเรียงเป็นคำกลอนว่าผู้เอยผู้ใดลำพองใจประมาทมาก่อนแต่กลับตัวได้ไ่นิ่งนอนถ่ายถอนชั่วชา้าส่างสาไปผู้นั้นเหมืออจันทร์วันเพนลอยเด่นดูงามมารามใส่ไม่มีเมฆมุมองทะยองใหญ่สองล่าทั่วไปสว่างเอ่ยผู้ตุธทานทั้งสามบทของพระพุทธเจ้าในขณะที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยแล้วก็พิจารณาปัจจัยาการมันก็คล้ายแพจันที่ปราดจากเมฆเหมือนกัน แล้ว่าข้อสุดท้ายเนี่ยเหมือนพระอาทิตย์อุทัยนะฮะเหมือนพระอาทิตย์อุทัยคือกจ็จะมืดทําอากาศให้สว่างสวยควรแก่การที่ชมยินดีแต่ทีนี้ถ้าถ้าจบตรงนี้อย่างที่บอกว่าอาการเลวร้ายทั้งหลายในโลกเนี่ยไม่ว่าจะเรียกอะไรระดับไหนก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอาการกิเลสทั้งนั้นแหละแต่ถ้าจิตมันปราศจากอนุสัยหมายความกิเลสประเภทหยาบก็ไม่มีแล้วประเภทประเภทกลางก็ไม่มีแล้วเพราะว่าไปทําลายกิเลสประเภทละเอียด กิเลสประเภทใหญ่ประเภทกลางมันมาจากกิเลสประเภทละเอียด ค, คล้ายๆกับกิ่งไม้ดอกไม้ผลไม้ต่างๆเต็ตตไมไปหมดเลยมันมาจากรากประมานรากมันทําลายแล้วมันมันก็เสร็จแหละก็ตายหมดข้างบนงนันก็ทงแสดงว่าเป็นที่สุดของการจับพอดไม้การจับสัสตราการทะเลาะการถือผิดการโต้เถียงการกล่าวคําว่าการโสเสียด การกล่าวเท็จแล้วก็อกุศลละธรรมอันลามกเหล่านี้ย่อมดับไปโดยไม่เหลือในเพราะเหตุนั้นเห็นว่าอาการนี้เป็นอาการกิเลสทั้งหมดอันเป็นอาการกิเลสจะนับสักร้อยสักพันก็ได้นะแต่ว่าเมื่อเราดับกิเลสทุกอย่างมันดับหมดคออือยังยังชื่นชมท่านตุลาการรัฐรม น, นูญ อะไรนามตระกุลวิทยาเต็มชื่ออะไรไม่รู้ท่านสัมภาษณ์เราสั้นๆเดี๋ยวสอบมากเวาบอกปัญหาที่มันขัดแย้งเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเรื่องกฎหมายมันเป็นปัญหาในความรู้สึกภายในใจของคนมันก็ต้องขจัดความรู้สึกในแนวที่ไปอ้างอดีตคนนั้นได้ดา่าเราคนนั้นประทุษร้ายเราคนนั้นประหานเราคนนั้นกล่าวหาเราอันนั้นก็สัมภาษณ์อย่างนั้นกล่าวร้ายเราอย่างนั้นโอโอท่าทางตระกูลออกมารุงรังแล้วมันแก้ปัญหาไม้ได้หรอ และถ้าเรากลับจิตทีเดียวเนี่ยเรื่องเราหมดเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันไม่ต้องไปพึ่งสารหรอกมนุษย์พลิกจิติคุณไม่ยอมจานนมันกิเลสทำไมอ่ะทำไมมันอยู่มาตั้งนานทาไมไปปล่อยกิเลสบงการสั่งการกํากับควบคุมทิศทางของทิศทางของตัวเองแล้วก็นำพาสังคมเข้าสู่ความเสื่อมความแตกแยกความแบ่งแยกเป็นเราเป็นเขา มันก็อาการปัญหาต่างๆก็ปรากฏที่เราเห็นเนี่ยที่ถึงเราสาวดูเถอะมันเป็นอาการของกิเลสทั้งนั้นเพราะในที่นี้รู้เจ้าก็แสดงให้เห็นว่าทั้งหมดเนี่ยมันมาจากอนุสัยทีนี้ถ้าดับอนุสัยซึ่งในที่นี้ทรงใช้คําคว่าทำเป็นเหตุในเนิ่นชา้าก็คือย่อยตัณหามานติสติออกไปก็เป็นอนุสัยกิเลสเป็นเหตุในเนิ่นชา เป็นพระธรรมเทศนาที่สรุปนะสรุปตอบคำถามของภิกษุแล้วก็จากนั้นได้จัดตังนี้แล้วก็เสด็จลุกอยากอานสนาเข้าที่ประทับจ้ะเล ย, ยางที่บอกนะว่าเป็นวิธีการอย่างหนึ่งของพุทธเจ้าที่ต้องการเช่อชูเพราะว่าปัญหาที่พูดขนาดนี้กับพระรุ่มเหล่านี้ท่านไม่เข้าใจเราและต้องการอธิบายขยายความที่ให้พิสดารขึนไปกว่านั้น เพราะทับศั์หมดเลยเห็นไหมนิจิกิถานี่แม่อธิบายราคานุตใสคืออะไรปฏิคานุใสคืออะไรทิฐานุใยคืออะไรนิจิคิถานุใสคืออะไรก็เรียกทับทับ ท, บ ท, บทบไปเลยถ้าก็งงแต่ต้องการให้งงเพราการให้งงเพื่อตุ้นให้เถอไปหาความชัดเจนเอาเองมันก็เหมือนกับการรับประทานอาหารนั่นแหละคือสอนวิธีปรุงอาหารให้ แต่ก็ไม่ปรุงให้กินตอนนี้ที่จะปรุงแล้วนะฮะแต่ได้จริงเธอต้างกินเองจะต้อตงหาวิธีกินเองนั่นก็คืออุบายวิธีในการฝึกพุทเวทนาของพระเจ้าอีกแบบหนึ่งซึ่งยุคสมัยตรงนี้ที่จริงน่าใช้หมายความว่าป้อนข้อมูลลงไปต่ตั้งคำถามให้คนไปแสวงหาคำตอบ เพื่อจะกระตุ้นให้คนของเราเนี่ยได้ศึกษาได้ค้นคว้าได้คิดมันไม่ใช่อะไรแล้วเอาสื่อมาดูหมดล่ละนะไปเข้าอะไรล่ะมีแผ่นใสมีอะไรแต่ต่างๆวิธีสอนในปัจจุบันเนี่ยดูแล้วมันมันมนุษย์ถึงจุดหนึ่งมันจะช ง, งกะักอ่ะไม่มีจินตนาการเลยไม่มีระบบการคิดที่มีเหตุมีผล จนสามารถยาใสพจน์คือคําพูดเนี่ยสร้างเป็นภาพขึ้นมาแล้วก็คิดออกมาเป็นรูปธรรมต่างๆได้ซึ่งมีความจะเป็นอย่างยิ่งแต่ว่าเราก็ใช้ทําให้ดูหมดเลยอย่างนี้ไม่ไหวครับไม่ได้ส่งเสริมไม่มนุษย์คิดวัดวิธีการตัวเนี้ยให้ไปสแสวงหาข้อมูลต่อแล้วก็คิดต่อแล้วกยายผลต่อไป นั่นคือพุทธวิธีในการฝึกพุทธเวไนยของพระพุทธเจ้าก็ถือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งนะฮะและเราก็พบในพระสูตรต่างๆเช่นเคยให้ภาษาลิบุตรเป็นคนอธิบายให้พระาณนุย์เป็นคนเทศอะไรต่ล่างเห็นวิธียกย่องเช่วยชูพระเทระให้เป็นที่พึ่งผคำนักของพระภิกษุ ข, ของขายกไติกาได้แม้พระองค์จะอนิพพานไปแล้วก็ตาม มันไม่จะปลอยทุกอย่างเข้าไปอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งแล้วพอถ้าตรงนั้นเกิดสิ้นชีวิตไปล้าจะทำยังไงคือปัญหาอย่างเนี้ยปัญหาคล้ายๆกับลูกแง่ที่ที่จะเลี้ยงไม่รู้จักโตพระเจ้าก็ฝึกให้ขคดมันโตขนะึ้นให้คิดเป็นแล้วก็ค้นคว้าเสาะหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็คิดต่อขยายผลต่อไปต้องฟังกันานยสียงทําจากมหาวิทยาลัยศรีวทุมในวันนี้ขอุติไว้ด้วย็วลาเพียงเท่านี้ ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไพร่บูรในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดีนี้ขอความจเจริญงอกงามไพ่บูรในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี